ข้อความในมิลินทปัญหาต่อจากครั้งที่แล้ววักที่สามปนานิตะวะเศรษฐธรรมปัญหาเศรษฐานี้โดยศัพท์แปลว่าประเสริฐเนี่ยนะเช่นอโคหมัสมิเชทโทิเชทโธเศโโโลกัตสะอยะมันตินติชานิปุณภโวเนี่ยนะเราเป็นผู้อโคหามัสมิเราเป็นผู้เลิศในโลกเชทโทิเชทโธเศโธเราเป็นเชทโธก็คือเป็นเหมือนกับพี่ในโลก เศธโก็คือประเสริฐธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐนั่นเองย้อนกลับมาตรงนี้นะว่าเศธะธรรมะปัญหาก็คือปัญหาที่กล่าวถึงธรรมะประเสริฐพระเจ้ามิลินกราบเรียนถามพระนาคเษนว่าพระคุณเจ้านาคเกษนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเศษความข้อนี้ไว้ว่าธัมโมหิวาเศธเศธโธชเนตัสมิง ทิเทเจวะธรรมเมอภิสัมปราเยจะดูก่อนท่านวาเสถะหรือว่าดูก่อนวาเสทะพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในหมู่ชนนี้ทั้งในอัตภาพนี้ทั้งในภายภาคหน้าคือปัจจุบันนี้พระธรรมก็เป็นสิ่งประเสริฐสุดอนาคตต่อต่อไปธรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งประเสริฐสุดคำว่าพระธรรมในที่นี้หมายถึงอะไร คำวธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสุดนั้นพระองค์ตัดไม้เอาโลกุตระธรรมทั้งหลายคือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งโลกุตระธรรมที่พระอริยบุคคลบรรลุนั่นแหละเรียกว่าเป็นพระธรรมที่ประเสริฐสุดพระธรรมชื่อว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุดโดยเกี่ยวกับว่าสิ่งน่าสรรเสริญอย่างยิ่งเพราะความที่ธรรมะนําออกจากทุกขไม่ว่าจะเป็นทุกในอบายหรือว่าทุกในวัฏฏะทั้งหลาย ก็คืออย่างเช่นว่าโสดาปฏิมักนาออกจากทุกในอบายนําออกจากทุกในภพที่8เป็นต้นสก่าทาคามิมักทําให้เหลือทุกแค่ชาติหน้าชาติเดียวที่จะกลับมาเป็นมนุษย์นะนะอนาคามีมักก็นําออกจากทุกขในกามมาพบหมดเลยอารหัตมักก็นําออกจากวัตถุทุกโดยประการทั้งปวงหรือนําออกจากวัตตะโดยสิ้นเชิงพั้นธ ร, รมะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดทั้งในปัจจุบันและ สัมปรายภพเพราะว่าธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ทรงธรรมไม่ให้ตกไปในกองทุกข์ทั้งหลาย น, นะทั้งทุกข์ในปัจจุบันและสัมปรายภพนั้นธรรมนั้นจึงเป็นเครื่องปกปักรักษาธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงสุดสูงสุดถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้ายัางเคารพธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เคารพธรรมอย่างพระเจ้าจักรพรรดิก็เคารพธรรมคือกุศลกรรมบทพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็เคารพธรรมคือ โลกุตระธรรมคารพมัชผลนิพานในตรงนี้บอกว่าธรรมโมหิวาเสธาเศรษฐโฉเนตสัส밍ทิเถเจวธรมเมอภิสัมปราเยจะดูก่อนท่านวาเสฐะพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในหมู่ชนนี้คือในหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทางในปัจจุบันและก็ในสัมปรายภพทั้งปัจจุบันและต่อไปข้างหน้าธรรมะประเสริฐที่สุดและอีกที่หนึ่ง ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพจน์ตรัสอีกว่าอุปาสโกขิหิโสตาปโนปิหิตาปโยทิถิ ป, ปัตโตวิญญาตศาสโนภิกุงวาสั ม, มเนรังวาปุถุชนังอะพิวาเดติปัจจุปเทติเนี่ยนะแปลว่าอุบาสกครหัหแม้เป็นพระโสดาบผู้ปิดอบายได้แล้ว เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิคือโสดาปติมักแล้วรู้แจ้งพระศาสนาคือไตรสิกขาแล้วเนี่ยนะก็ยังต้องกราบไหว้ลุกรับภิกษุหรือสัมมาเนนผู้เป็นปุตุชนพระคุณเจ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนท่านวาเสษฐพระทมเป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่ชนนี้ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า จริงไซถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าอุบาสกครหอันแม้เป็นพระโสดาบันผู้ปิดอบายได้แล้วถึงซึ่งสัมมาทิฐิแล้วรู้แจ้งพระศาสนาแล้วก็ยังต้องกราบไหว้ลุกรับภิกษุหรือสัมมาเนผู้เป็นปุตุชนคํานี้ก็ต้องผิดสิเพราะอะไรเพราะธรรมเพราะธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดพระโสดาบันเป็นต้นท่านเห็นธรรมที่ประเสริฐสูงสุดแล้วทําไมพระโสดาบันต้องไปกราบไหว้ปุตุชนเพัน้าบอกว่าพระธรรมประเสริฐสูงสุดจริง ที่บอกว่าอุบาสกโสดาบันกราบไหว้ภิกษุสั ม, มนเนนปุตุชนมันก็ต้องผิดอะถ้าหากพระองค์ตรัสว่าเครือขัดแม้จะเป็นโสดาบันผู้ปิดอบายได้แล้วถึงซึ่งสัมมาทิฐิแล้วรู้แจ้งพระศาสนาแล้วก็ยังต้องกราบไหว้ลุกรับภิกษุหรือสัมมนเนนผู้เป็นปุตุชนดังนี้จริงถ้าหาอย่างนั้นคําที่ว่าดูกราวาเสธะพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในหมู่ชนนี้ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าก็ต้องผิด ปัญหานี้มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดเมื่อความในที่สองที่สองแห่งเนี่ยขัดแย้งกันอย่างนี้นะสรุปขัดแย้งบอกว่ า, วาถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมเป็นสิ่งประเสริฐสุดอย่างนี้จริงผู้บรรลุธรรม ทรงโลกุตระธรรมเหล่านั้นอันได้แก่พระอาริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นแม้ว่าเป็นคราวญาครองเรือนก็ย่อมเป็นผู้สมควรแก่การที่ผู้เป็นปุถุชนผู้มิได้บรรลุพระธรรมเหล่านั้นจะกราบไหว้แม้ว่าเป็นภิกษุสงฆ์เพราะฉะนั้นคำที่ตรัสไว้ว่าอุบาสกเป็นครือัดแม้เป็นพระโสดาบันก็ต้องกราบไหว้ภิกษุสมัมมาเนปุถุชนดังนี้ไม่น่าจะถูกต้องใช่ไหม ภิกษุสั ม, มนเนนปุตุชนสิต้องกราบไหว้คาราวะที่เป็นที่เป็นผู้บรรลุธรรมเพราะพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดพระธรรมอยู่กับผู้ใดผู้นั้นควรแก่การกราบไหว้ทีตรงนี้มันงงมันกันว่าทำไมทำไมครหัดโสราบันผู้บรรลุมรรคผลเข้าถึงโลกุตระธรรมธรรมที่ประเสริฐสุดยังต้องกราบไหว้ปุตุชนเนี่ยนะๆๆๆๆๆเพราะว่า ผู้บรรลุธรรมที่ประเสริฐต้องกราบไหว้ผู้ไม่บรรลุธรรมที่ประเสริฐเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องไม่เรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ถูกไม่ถูกเหมือนกันเดินแม้ถือเอากลับกันอย่างนั้นก็เป็นอันว่าหากข้อความหนึ่งตรัสไว้จริงข้อความที่เหลือก็ต้องขัดแย้งกันไม่ถูกถ้าทำประเสริฐจริงผู้ใดมีธรรมก็ต้องกราบไหว้แต่นี่มันฟังขัดขัดกันยังไงบอกว่าผู้ที่เข้าถึงโลกุตระธรรมยังกราบไหว้คนที่ไม่มีโลกุตระ ที่เป็นครือขัดเนี่ยนะเรียกว่าโดยเพศ <c oughs> คือคําถามเนี่ยเขาเรียกว่าคําถามอโดยโวหารกับโดยปรามัตเนี่ยนะถ้าว่าโดยโวหารเนี่ยนะเพศเครือขัดกับเพศนักบวชเพศไหนสมควรแก่การกราบไหว้ถ้าโดยทำรรถ้าโดยทำเนี่ยนะทำนั้นถึงจะอยู่กับผู้ใดธรรมะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ควรแก่กราบไหว้ แต่ถ้าโดยเพศนะั้นในโลกนี้ถือโดยเพศเป็นเป็นเป็นหลักเป็นประมาณเน่นะเพราะฉะนั้นพระนาคเสนก็เลยตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาสิทธิ์ข้อความนี้ไว้ว่าดูก่อนวาเสถะพระทมเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในหมู่ชนนี้ทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพหรือในภายภาคหน้าจริง และที่ตรัสไว้อีกว่าอุบาสกครือขัดแม้จะเป็นพระโสดาบันผู้ปิดอบายได้แล้วถึงพร้อมซึ่งสำ ม, มาทิฏฐิรู้แจ้งพระศาสนาแล้วก็ยังต้องกราบไหว้ลุกรับภิกษุหรือสัมมาเนผู้เป็นปุตุชนอันนี้ก็จริงแต่ว่าในเรื่องนั้นมีเหตุผลอยู่นะเหตุผลที่ครือขัดโสดาบันเป็นต้นยังต้องกราบไหว้ภิกษุสั ม, มเนปุตุชนเหตุผลเหล่านั้นคืออะไร ขอถวายพระพรมหาบาพิธธรรมะเครื่องสร้างความเป็นสมณะแห่งผู้เป็นสมณะยีสบอย่างธรรมะเป็นเครื่องสร้างความเป็นสมณะนี่แปลว่าแปลเป็นภาษาไทยอีกครั้งว่าธรรมกุศลธรรมที่เป็นเหตุสร้างโซดาบันะนะสมณะตัวหลังในมาอ คำว่าความเป็นสมณะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงโสดาปฏิพันธสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตต์ผลคำว่าสมณะความเป็นสมณะหมายถึงสามัญญผลทำเครื่องความเป่เ อ, อทำมหเครื่องสร้างให้บุคคลบรรลุสามัญญผลแห่งผู้เป็นสมณะมีอยุสิบ20อย่างและมีเพศอีกสองอย่างย่อมเป็นเหตุให้พวกสมณะทั้งหลายเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ลุกรับนับถือบูชา ธรรมะเครื่องสร้างความเป็นสมณะแห่งผู้เป็นสมณะ20อย่างและเพศสองอย่างมีอะไรบ้างนะก็คือธรรมะที่พวกสมณะทั้งหลายที่เรียกว่านักบวชทั้งหลายเนี่ยอยู่ในข้อปฏิบัติที่มีคุณข้อปฏิบัติที่สร้างความเป็นสมณะเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่ทำให้สร้างความเป็นสมณะ20อย่างอะไรบ้างเขาบอกว่าข้อแรกนะธรรมารโม ธรรมาราโมนี่แปลว่ามีความยินดีในธรรมคําว่ายินดีในธรรมอันนี้หมายถึงว่ายินดีในกุศลธรรมที่หาโทษไม่ได้เนั่นถือว่าผู้ที่เป็นสมณะนั้นคือผู้ที่ยกย่องสรรเสริญเพลิดเพลินอยู่ในกุศลธรรมเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่มีโทษหรือถ้าเป็นฉบับไทยท่านบอกว่าเศรษฐภูมิสย นักบวทั้งหลายท่านบอกว่าอยู่ในภูมิที่ประเสริฐเนี่ยนะเรียกว่าโดยเพศเพศที่ประเสริฐอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าคำว่าธรรมารโมเนี่ยนะมีความยินดีในธรรมหมายถึงความยินดีในกุศลธรรมอันหาโทษไม่ได้กุศลธรรมที่หาโทษไม่ได้คืออะไรอโลภะคือกุศลธรรมที่หาโทษไม่ได้ อโทสะคือกุศลธรรมที่หาโทษไม่ได้อโมหะคือกุศลธรรมเป็นสิ่งที่หาโทษไม่ได้หรือสุจริตทางกายวาจาและใจเป็นกุศลธรรมที่หาโทษไม่ได้อโลพาเนี่ยแปลว่าอะไรคุณชุสีอโลพะแปลว่าอะไรอะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าปฏิปักษ์เน่ะแปลว่าข่าศึกแปลว่าศัตรูอโลภาหมายถึงว่าข่าศึกแกโลพะ สิ่งที่เป็นศัตรูกับโลภ ะ, ะเครื่องมือฆ่าโลภะก็ได้เรียกว่าอโลภะเพชชาตของโลภะเรียกว่าอะโลภ ะ, ะนะอย่างอโทสักนี่ไม่ได้แปลว่าไม่โกรธนะแปลว่าธรรมะเครื่องกําจัดความโกรธอะตัวนั้นเป็นฆ่าศึกและเป็นปฏิปักนะนะพันธาแค่ไม่โกรธจักคูวิญญาณก็ไม่โกรธโสตะวิญญาณก็ไม่โกรธทําไมไม่เรียกว่าอะโทสัแต่อโทสักนั้นแปลว่าคุณธรรมที่ กำจัดความกโกรธอย่างอะโมหานี่นะคืออย่างว่าปฏิปัติกันเลยโมหะเปรียบเหมือนกับความมืดอะโมหะที่เปรียบเหมือนกับแสงสว่างฉะนั้นอโมหะนั้นเป็นธรรมที่กำจัดโมหะเป็นเครื่องกำจัดโมหะฉะนั้นอโลภาอะโทสะอะโมหะนั้นชื่อว่าเป็นกุศลธรรมที่หาโทษไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพขณะเดียวกัน อโลภาอโทสะอโมหะเป็นสมุดฐานของ ก, การกระทำใดการกระทำนั้นเรียกว่ากายสุจริตอโลภาอโทสะอโมหะเป็นสมุทฐานแห่งคำพูดใดคำพูดนั้นเรียกว่าวจีสุจริตอโลภาอโทสะอโมหเป็นสมุทฐานแห่งความคิดเหล่าใดความคิดเหล่านั้นเป็นมโนสุจริต ก็มีอะโลพาอะโทสะอะโมหะเป็นสมุทฐานอาโลพาอาโทสะอโมหะเหล่านี้เป็นสมุทฐานแห่งกายวาจาเรียกว่าเป็นศีลอโลพาอาโทสะอยู่ในใจเป็นสมาธิอะโมหะเป็นปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือกุศลธรรมที่ไม่มีโทษโดยปกติทั้งหลายสมณะทั้งหลายยินดีในกุศลธรรมเหล่านี้อันนี้เป็นเหตุอันที่หนึ่งที่เป็นเหตุให้คารวาตควรแก่ คารบกราบไหว้ผู้ที่เป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นสมณีนหรือเป็นภิกษุก็ตามที่เป็นปุถุชนข้อที่หนึ่งข้อที่สองอัคโคธรรมโมนิยมทรรมอันเลิสนิยมทรรมอนเลิศนี้อธิบายว่ามีทรรมอันเลิศคือมีธรรมที่สร้างความเป็นสมณนะเป็นสิ่งที่ตนนิยมว่าเป็นเลิศด้วยอัถาว่าให้สาเร็จ ความเป็นยอดบริษัทคือบริษัทในในศาสนานี้มีอยู่สี่อย่างาพิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาพเพราะเนื่องจากว่าท่านนินยมทำมัเลิศ ก, ก็คืออยู่ในเพศที่ประเสริฐเนี่ยนะที่ที่คนทั่วๆไปก็ต้องเคารพสักการะเพราะท่านอยู่นิยมทำที่เลิศคือคือเป็นยอดของบริษัทใน บริษัท4ีั้นในพระไตรปิฎกจะมีอะไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายดูก่อนพิกษจนทั้งหลายจะชื่นชมยกย่องอ่ะนะดูก่อนคืนหัดทั้งหลายดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมีไม่กี่สูตรนับได้แต่ดูก่อนพิกษุทั้งหลายมีเป็นหมื่นสูตรเนี่ยนะเพราะแสดงคือเพราะพระพริสูจน์นั้นที่เรียกว่าอคโณนิยโมเนี่ยนะคือนิยมทำอันเลิศก็คือเพศที่เลิศในบรรดาบริษัททั้ง4เหมือนกับวันณะสี่ใช่ไหม กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์ก็เชื่อว่าโดยโดยโด ย, โดยวันนะก็ถือว่าเพกวรรณะกษัตริย์นี่เลิศฉันใดในบริษัท 4, สี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุก็ชือว่าเลิศฉันนั้นอย่างครั้งที่แล้วก็กล่าวว่าภิกษุณีถึงบวชมาแล้วร้อยพรรษาก็ต้องกราบไหว้ภิกษุที่บวช ว, ว, วันนั้นเนี่ยนะแต่ภิกษุที่ที่บวชวันนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องกราบภิกษุณีแม่บวชมาแล้วร้อยพันสากราบไม่ได้เป็นอาบัติด้วย ไม่ได้กราบไม่ได้ไม่ว่านะมีโทษด้วยเพราะโทษเพราะการกราบเนี่ยนะแต่ก็มีเล่าข่าวแว่วๆคล้ายๆว่าพระพิสุปไปกราบคาราวาะก็มีเหมือนกันซึ่งอันนั้นเป็นความผิดพลาดเป็นความเข้าใจผิดเนี่ยนะเป็นความเข้าใจผิดที่แล้วก็คารวะานั้นไม่รู้ทําใจได้ยังไงให้พระพิสุปเป็นต้นกราบไหว้ตนนะนะนันก็เป็นเรื่องที่สมัยใหม่นี่ก็วิปริตไปค่อนข้างพอสมควรแล้วล่ะ <S <S ที่สข้อที่สามที่เป็นเหตุให้ คาราวาเนี่ยนะกราบไหว้พิสุสัมมณเณรผู้เป็นปุตุชนก็คือความประพฤติดีจาระจาโ ร, ารตัวนี้แปลว่าความประพฤติความประพฤติทางกายวาจานะท่านบอกว่ามีความประพฤติในวัดปฏิบัติทั้งหลายอันมาแล้วในขันธกะซึ่งเป็นอภิสมาจาริกาสี น, นนะคือพระพิสุนเนี่ยนะท่านอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่สองอย่างด้วยกัน ข้อปฏิบัติของท่านก็คือจารีตกับวารีตนะท่านมีความประพฤติ ท, ที่เป็นตรงยกตัวอย่างก็กคือจารีตท่านมีมีการอ่อนน้อมมีการประพฤติอาจารยวัตดมีการประพฤติอุปชารยวัดเนี่ยนะมีการเคารพอะไรนะขันธกะวัดทั้งหลายเช่นวัดในการเดินบิณฑบาตวัดในการฉันวัดในการแสดงธรรมวัดในการ ที่ที่ในสถานที่อาบน้ำวัดในห้องน้ำวัดที่เรือนโพวัดที่ศาลามีข้อวัดปฏิบัติมากมายเนี่ยนะอย่างเช่นเสคียวัดเป็นต้นหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าท่านละเมิดะละเมิดผิดศีลบางข้อท่านก็ยังต้องมีวัดไปประพฤติไปปฏิบัติพันอันดับแรกก่อนคือท่านมีข้อวัดปฏิบัติ มีคำวจารีตศีลทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีจารีตศีลอย่างที่สองมีวาฤตศีลเว้นจากราคะโทสะและโมหะเว้นจากาท่านเว้นจากอะไรเว้นจากความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะตั้งปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะและโมหะพันถ้าหากว่าพระพิสูรูปใดปฏิบัติตัวไม่เป็นเช่นนี้ก็โดยมากก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ เคารพอยู่แล้วบอกว่าสมณะรูปนี้ไม่ตั้งอยู่ในสังวรเลยก็คือไม่มีจารีตศีลและวารีตศีลเลยก็เป็นที่คำขอรหาและเป็นคําตําหนิทั้งหลายพั้นเหตุข้อที่สาที่ให้พระพิสุสั ม, มเนธผู้เป็นปุตุชนสมควรแก่การกราบไหว้แม้เครหัดผู้เป็นพระโสดาบันก็คือท่านมีจารีตศีลมีวารีศรีลนั่นเองต่อไปท้านบอกว่า วิหารโรเนี่ยนะท่านมีวิหารธรรมอ่วิหารธรรมนั้นหมายถึงวิหารโดยศัพท์มีอยู่สี่อย่างเยนะอ่วิหารไม่ใช่โบสถ์วิหารนะอา่าคนละศัพท์กันวิหารตัวนั้นแปลว่าที่อยู่อันนี้แปลว่าเครื่องอยู่วิหารตัวนี้แปลว่าเครื่องอยู่ไม่ได้แปลว่าที่อยู่เครื่องอยู่คือไรหนึ่งอิริยาบถเรียกว่าอยู่ด้วยอิริยาบถ4อย่างที่สอง ทิพวิหารสามพรหมวิหารสีอริยวิหารอย่างข้อแรกเนี่ยนะอิริยาบถวิหารของภิกษุสัมมเนนผู้ผู้ควรแก่การกราบไหว้ของกรหัสปุตุโชติภิกษุสัมมเนนที่ควรแม้แก่การกราบไหว้ของคอหรหัสผู้เป็นโสดาบันอะ่ะท่านมีอิริยาบถวิหารคืออยู่ในอิริยาบถ ท, ที่สำรวมเนี่ยนะมีการควบคุมปกปิดความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ย ทั้งยืนเดินนั่งและนอนขณะเดียวกันอิริยาบดยืนเดินนั่งนอนของท่านก็เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาคือถ้าเมื่อใดที่ท่านมีการปฏิบัติตามคาสอนขณะนั้นเป็นการเจริญสมถะหรือไม่ก็วิปัสสนาเอาบอกว่าเอ๊ะถ้าพระพิสุเดินแล้วคิดถึงสีเนี่ยเจริญสมถะไหมเจริญไหม เจริญเพราะคําว่าสมถะเนี่ยคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์มรรคหกเนี่ยนะเจริญปรารภองค์มรรคใดก็เป็นสมถะทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเจริญเอ่อเน้นที่สมาธิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะเพราะถ้ายังเป็นไปตามคําสอนยังเป็นไปตามมรรคมีองค์8ก็ยังอยู่ในสมถะแหละ วิปัสนาน่ยนะขอให้อยู่ในศีลอยู่ในขอให้อยู่ในคําสอนเถอะคาสอนหมวดใดก็ได้สูตรใดก็ได้ที่เป็นกุศลที่สรนเสริญการเจริญกุศลเป็นสมถาวิปัสนาทั้งนั้นอย่างน้อยท่านบอกว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจเพราะคําว่าสมถะทั้งหลายก็คือสงบความลำบากใจสงบความเดือดร้อนใจสงบอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ถ้าอย่างคําพูดใดที่ไม่ประกอบด้วยศีลคําพูดนั้นเนี่ยหนักใจไหม พูดจบก็หนักใจได้ใช่เพราะคําพูดนั้นไม่ใช่สมถะแต่คําพูดใดที่มีสมถะเป็นสมุทฐานคนที่พูดจบแล้วก็เบาพูดเสร็จแล้วสบายใจเนี่ยนะถ้าวันไหนพูดแล้วหนักใจนี่ก็แสดงว่าไอ้ที่พูดนี้ไม่ใช่ศีลแน่นอนอย่างที่สองเนี่ยน ะ, ะพระพิสุทั่วไปโดยมากท่านก็จะมีที่พระวิหารก็คือในการเจริญฌานทั้งหลายเจริญฌานสมาบัตินับตั้งแต่พวกกสินเป็นต้นเนี่ยนะก็ซึ่งเป็นบริวารของ ทิพวิหารเนี่ยนะเป็นบริวารเป็นการเริ่มต้นในการปฏิบัติทิพวิหารเพราะพระภิสุสั ม, มนเนนทั้งหลายท่านก็เจริญทิพวิหารคือเจริญฌานทั้งหลายปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเพราะคําว่าภิกสุปุตุชนสัมมนเนนปุตุชนเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้ฌานท่านได้ฌานแต่ท่านไม่ได้โสดาปติมัติเงนะก็เลยเรียกว่าเป็นปุตุชนอยู่หรือท่านยังเจริญวิปัสสนาอยู่ท่านก็ยังเป็น ปุถุชนอย่างปรารบอนุปัสสนาทั้งหลายคือในวิสุทธิ7ถ้าท่านเหล่านั้นยังเจริญวิสุทธิ6ข้ออยู่ก็แสดงว่าท่านยังไม่เป็นพระอริยะเนี่ยนะวิสุทธิข้อที่7เท่านั้นแหละที่สร้างความเป็นอริยพรนะ์นเบื้องต้นนั้นท่านก็อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนา น, นี้ก็เป็นเหตุให้สมควรแก่การกราบไหว้ อย่างที่สามท่านอยู่ด้วยพรมหมวานเนี่ยนะอริยาบถสียืนเดินนั่งนอนของท่านเป็นไปกับเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาและสุดท้ายท่านมีอริยธรรมนะอริยธรรมก็คือโสดาปติมภ์เป็นต้น